พุทธวัสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะสถานีวิทยุสทอ6รอบครัวข่าวก็นำรายการนี้รายการสันสันสนนามาพบกับท่านฟังกันเป็นประจำในตอนเช้านะคะที่เราจะได้เริ่มต้นวันใหม่กันอย่างมีคุณค่าแตกต่างไม่เหมือนใครคือได้ปฏิบัติธรรมพร้อมพร้อมกัน ผ่านทางการนำโดยครูบาอาจารย์ที่สอนการเช่าคอร์สปฏิบัติอยู่เป็นประจำพระมหาภัยบุญอภิปุณโนวัดป่าดอนหายโซจังหวัดอุดรธานีเหมือนกับได้ไปหลีกเล้นที่วัดเลยแต่ว่าเป็นการเก็บเล็กผสมน้อยพร้อมกับฟังธรรมะที่อาจจะหยิบยกขึ้นมาเองระหว่างดิฉันกับพระอาจารย์หรือว่าท่านผู้ฟังได้ถามคำถามมา ซึ่งวันนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการที่มีคำถามรอเข้าคิวจะให้ตอบอยู่อีกหลายท่านทีเดียวนะคะท่านฝั่งท่านอื่นๆถ้าประสงค์ที่จะส่งคำถามมาก็มีหลายช่องทางเดี๋ยวจะเรียนให้ทราบในรายการแต่ว่าตอนนี้เราไปพบกับพระอาจารย์เพื่อที่จะให้ท่านได้นำพวกเราปฏิบัติธรรมก่อนจะฟังธรรมกันต่อไปนะคะน้อมสักการค่ะท่านคะ่ะเตยปานเรามาเริ่มการปฏิบัติด้วยการที่มาสังเกตเพ่งพินิษพิจารณาที่จิตของเรา จิตเนี่ยสามารถใช้เป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงได้เพระพระธเจ้าได้เคยตรัสถึงเรื่องของสติปัฏฐานทั้ง4ี่นั่นก็คือฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึง แ, แปลตรงตัวเลยสติปัฏฐานคือฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงแทนที่จะให้เป็นที่ที่จะไปในทางดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นเหมือนลิง ล, ลิงที่เอาไปในป่าใหญ่เนี่ยมันจะจับกิ่งไม้เกาะ ก, กิ่งนี้ผ่านไปกิ่งอื่นจิตก็เรามีลักษณะเป็นอย่างนั้น แทนที่มันจะให้ไปเกาะกิ่งที่ไม่ดีมันอาจจะหักตกลงมาเจ็บปวดได้แทนที่จะให้จิตของเรามันไปเกาะที่ที่มันเป็นอคุศลบางทีให้เกิดความร้อนใจความไม่สบายใจได้ก็ให้อย่างน้อยจิตของเรามันมาอยู่ในที่ที่มันจะดีๆการที่จะให้จิตของเรามาอยู่ในที่ที่ดีๆได้การระลึกถึงคือสตินี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องตั้งเอาไว้ใช้อะไรเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติได้บ้างใช้กายนี้ก็ได้เราเรียกว่ากายานุปัสนาสติปฐาน การที่ทำมาฟังมามีความรู้สึกไปในกายผมอยู่ตรงไหนเล็บอยู่ตรงไหนกระดูกเป็นยังไงพิจารณาไปในลักษณะนี้แต่แต่ไม่ได้ให้ดูถึงความสวยงามตามผิวพรรณหน้าตามไม่ใช่เดือย่างนั้นนะแต่ให้ดูให้เห็นถึงความจริงว่าอ๋อมันเป็นองค์ประกรอบอย่างนี้มันไม่สวยอย่างนี้มีสีสันสันฐานเป็นอย่างนี้พิจารณาเห็นความจริงแบบเนี้ยเรียกว่าการใช้กายเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดการระลึกถึง หรือว่าดูลมหายใจก็ได้อันนี้ก็เป็นกายอย่างหนึ่งเหมือนกันหรือว่าเราจะใช้เวทนาคือความรู้สึกที่าทมาตัณบุฟังนั่งจะหลับตาหรือลืมตาก็ตามอาจจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นภายในกายอย่างใดอย่างหนึ่งเราเห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในกายนี้นะให้รู้ให้เห็นศักะระว่ารู้สักแต่ว่าเห็นไม่ได้จะไปยินดีในสิ่งที่เป็นสุขเวทนาไม่ได้จะไปขยี้ขแยงไม่พอใจในสิ่งที่เป็นทุกขเวทนา ในการเห็นแต่ว่าเห็นในเวทนาในกายเนี่ยอันนี้ก็เป็นใช้เวทนาเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดการระลึกถึงโดยเวทนานุปัสนาสติปฐานหรือว่าเราจะใช้จิตของเรานะจิตของเราที่ไปทําหน้าที่ในการรับรู้ไม่ว่าจะไปรับรู้เสียงรับรู้รูปเห็นรูปได้กลิ่นอย่างใดอย่างหนึ่งนะจิตเนี่ยจะเป็นผู้ที่ไปทําหน้าที่ในการรับรู้จิตนี้ก็อันหนึ่งการรับรู้นี่ก็ส่วนหนึ่ง สิ่งที่ไปรับรู้เสียงนั้นรูปนั้นกลิ่นนั้นก็เป็นอีกการหนึ่งให้เรามาดูผู้ที่เข้าไปรู้ตรงนี้ผู้ที่เข้าไปรู้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าจิตเนี่ยก็เป็นฐานที่ตั้งให้การระลึกถึงได้นะว่าแทนที่เราจะไปดูสิ่งที่เราไปดูนั้นเช่นว่าถ้าความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งนะ่ผู้ที่เข้าไปรู้ความคิดกับความคิดเนี่ยคนหลอกก้อนกันแทนที่จะให้จิตของเราไปเกลือกลัวในความคิดแต่ให้แยกกันออกมาเราจะเห็นผู้ที่เข้าไปรู้ตรงนี้ จิตตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นจิตตานุปัสนาสติปทานหรือว่าการที่ท่านผู้ฟังมาเห็นธรรมะนะเช่นว่าเรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่เห็นสิ่งต่างๆโดยความเป็นกลางไม่เที่ยงการเห็นลมตรงนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นธรรมในธรรมาการเห็นไม่ว่าจะใช้กายเวทนาจิตหรือธรรมเห็นแล้วให้มีสติตั้งไว้อันนี้ก็เรียกว่าสติปทานทั้ง4อย่างพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ตอนที่ตรัสรู้แล้วใหม่ๆ ยังไม่ทันจะไปหาพิกษุพันจัมภกี่ยวได้ซ้ําว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติในแบบไหนก็ตามคุณจะใช้ลมหายใจคุณจะใช้การระลึกถึงพระพุทธเจ้าการระลึกถึงพระธรรมการระลึกถึงกายมันก็จะอยู่ในสติปัฏฐานสี่นี้ทั้งสิ้นเลยสติปัฏฐานสี่นี้เป็นสัมมาสติด้วยมีสัมมาสติแล้วแน่นอนว่าสัมมาวายามารก็อยู่ที่นี่ สัมมากำมันตาสัมมาอาชีวะก็เป็นผลของการที่เกิดขึ้นจากการที่เราตั้งสติไว้คุณนําไม่มากๆเข้ามากเข้าบุคคลที่มีสัมมาสติแล้วก็จะทําสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้และสิ่งเหล่านี้เราฝึกทําเป็นทักษะที่เราฝึกกระทําได้เหมือนภาษาเหมือนการขับรถเหมือนการขับจักรยานยนต์หรือการว่รายน้ํากีฬาอย่างใดๆเป็นทักษะที่เราฝึกได้สตินี้เราก็ฝึกได้ ฝึกในขณะลืมตาหลับตาฟัางรายการอยู่เดินทางไปไหนฝึกได้ทั้งสิ้นเลยลต่อจากนี้ไปฟังธรรมก็ฝึกสติขึ้นได้เหมือนกันจุฬาภรณ์ท่านคะเท่ากับว่าสัมมาสติที่ใช้สติปัฏฐานสี่นำไปสู่สัมมาสมาธิหรือไม่คะหรือว่าสัมมาสมาธิก็ไม่จำเป็นต้องมีสัมมาสติก็ได้เกิดขึ้นได้เอง มีบบมีสองพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงนี้นําบอกว่าบุคคลที่มีสัมมาสติแล้วจะทําสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้นี่เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้อันนี้พุทธพจน์อันที่หนึ่งะครับพุทธพจน์อันที่สองพระพุทธเจ้าบอกว่าองค์แห่งมัจทั้ง7อย่างไล่มาตั้งแต่สมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสติเนี่ยนะมีสัมมาสติอยู่ด้วยเนี่ยแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอันใดจิตที่เป็น1อันนั้นเนี่ยก็เรียกว่าสัมมาสมาธิ แต่นในความเกี่ยวข้องมันมันก็คือจะมาด้วยกันมาด้วยกันค่ะนะคะดังนั้นที่เจริญสติกันอยู่หรือว่าที่มไม่ว่าจะดูลมหายใจหรือพิจารณากายขนผมเล็บฟันหนังอย่างที่ท่านกล่าวใช่ไหมคะมก็ถือว่าเราได้อยู่ในสัมมาสติสตตคือมีฐานให้สติอยู่ แล้วแล้วก็จะไปแวดล้อมจิตทำให้เกิดเป็นสหมาสมาธิถูกต่างนะคะก็สอดคล้องกับพุทธพจน์นะคะที่ดิฉันได้กล่าวไปต่อมาเป็นคำถามค่ะท่านคะเมื่อวานนี้เราผ่านคำถามของคุณสิงห์ตอนนี้ก็มาที่คำถามคุณแอนคะ่ะเรื่องได้ฟังข่าวเกี่ยวกับการขอบริจาคโลหิตเลยเกิดข้อสงสัยว่า พระพุทธเจ้าท่านกรุบเลือดอะไรแหมเป็นคําถามที่ทีฉันไม่เคยสงสัยเลยนะคะเนี่ยคิดไม่ถึงเลย ว, ว่าคุณแอนจะสงสัยไปได้อ่ามีในพุทธประวัติหรือเปล่าแต่น่าสนใจนะคะ เ, เรื่องกรุบเลือดนี่เป็นความรู้ทางการแพทย์แผนปัจจุบันนะซึ่งมีมาประมาณสักร้อปีนี่แหละที่เขามีการแบ่งกรุบเลือดกรุบไหลกันลจากการที่ว่าเลือกวันนี้ออกเอาเลือกวันนี้ไปใส่ให้แล้วมันไม่เวิร์กก็เลยมีความเข้าใจว่ากรุบเลือดมันมีแบ่งต่างๆประมาณร้0ยสอปีมานี่เอง แดงว่าก่อนนะ้นั้นก็ไม่มีเนี่ยไม่ได้มีการแบ่งกลุ่มเลือดอย่างนั้นอ่าเพราะฉะนั้นแล้วโดยทงยิ่งในแม้แต่ว่าการที่จะทําให้เลือดในกายของพระพุทธเจ้าออกมานอกกายยังทําไม่ได้เลยคุณโยมติว๋วไม่มีทางที่เป็นไปได้เลยโดวยเฉพาะว่าคนที่มาจะทําให้พระพุทธเจ้าเลือดตกยางออกหรือว่าฆ่าท่านได้อะไรเงี้ยมันไม่ได้เลยอย่างมากที่สุดก็ห่อเลือดห่อเลือดนี่คือเป็นอันนันตริยกรร ม, มใช่ไหมอ่าใช่ห่อเลือดนี่ก็คือแค่ว่า แค่ว่าแบบช้ำๆเลือดมันยังไม่ออกจากร่ากายด้วยซ้ําแต่แล้วสมัยนั้นคือพระพุทธเจ้าเป็นคนที่มีสุขภาพดีแต่ท่านจะมีธาตุไฟแล้วก็ธาตุไฟกับธาตุน้ําที่อยู่ในกายเนี่ยสม่มําเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินทำให้ไม่มีอาภาษต่างๆใดๆจะมีครั้งเดียวมั้งที่เลือดออกจากกายพระพุทธเจ้าคุณโยมติวะธรรมา น, นึกออกละคือตอนที่ท่านป่วยวันสุดท้ายนั่นหลังจากที่รับประทานอาหาร ที่เชื่อว่าสูกรมธมถวะของนายจุนทกศกมรบุตรแล้วก็อุจจระออกมาเนี่ยเป็นเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดใช่อันนี้คือโรคปักขันที่ขาพารคือถ่ายเป็นเลือดคือท้องไส้มันระบมหมดแล้วอักเสบแล้วนะเนื่องจากอาหาร ท, ที่กินเข้าไปมันย่อยไม่ได้ก็ถ่ายออกมาเป็นเลือดก็มีครั้งนั้นเท่านั้นเองจึงไม่มีการบ่งบอกว่าพระพุทธองค์นั้นมีกรุ๊ปเลือดอะไรเพียงแต่รู้ว่าเรื่องเลือดกับพระพุทธองค์นั้น เป็นสิ่งที่ถ้าหากว่าใครมาทําให้เกิดการเลือดออกขึ้นมานั่นถือว่าได้ทําบาปกรรมอย่างหนักที่สุดไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดว่าคะอนันตริยกรรมอ น, นัรร<ห>นตริยกรรมก็ต้องไปรับโทษก่อนที่เอเวจีมานรกจนกระทั่งหมดวาระนั้นก็ค่อยไปไหนก็ว่ากันไปแล้วจะทําทให้ห่อเลือดหรือคะท่านก็ก็ยังท่านพระเทวทัตไงเทวทัตกลิ้งหินมาทําให้ท่านห่อเลือดธรณีสูบแล้วก็ไปเกิดในอเวจีมานรกรับกรรมไป จนกว่าจะหมดวาระค่ะแต่ท่านก็ยังเป็นมนุษย์ปกติธรรมดาเพราะปรากฏในวาระสุดท้ายของชีวิตในการประชวนที่จะทำให้ปรินิพานด้วยโรคปากคันธิกาพาธนะคะปากันธิกาพาชัยคืออาการหรือโรคคะเนี่ยอเป็นป<า>เป็ น, นชื่อโรคชื่อโรคอาการก็คือถ่ายเป็นเลือดเขาเรียกว่าสเสวยอาหารเป็นพิษว่างั้นเถอะนะคะใช่ใช่ สกะมัถวะท่านบอกเป็นเห็ดใช่ไหมคะ เ, เขามีหลายตำราคุณหยงติ๋วบางคนก็บอกว่าเป็นเนื้อลูกสุกรอ่อนปรุงอย่างปลานียนี่ก็กว่าตำราหนึ่งอีกตำราหนึ่งก็บอกว่าเป็นอาหารที่เป็นลันกษณะของนมนะเป็นเหมือนกับข้าวมธุบายาต์อย่างเงี้ยแต่ว่าทําเป็นรูปร่างลักษณะแบบหนึ่งหรืออีกตำราหนึ่งเขาบอกว่าเป็นเห็ดชนิดหนึ่งซึ่งเห็ดชนิดนี้เนี่ยหมูชอบกิน แล้วมันจะมีฤธิ์เป็นพิษในช่วงเวลาต้นฤดูฝนนตะ่ต้นฤดูฝนเนี่ยถ้าฝนตกแค่ครั้งสองครั้งฝนยังตกไม่มากเนี่ยไอเหตุแบบเนี้ยมันยังมีฤธิ์เป็นพิษอยู่แต่พอฝนตกมากเข้ามาเข้าไอพิษมันหายไปเห็นหมูกินคนก็เอมากินได้อันนี้ก็มีการเป็นความเห็นอันที่สามมีหลายตำราใช่ใช่แต่ว่าเป็นเรื่องในครั้งอดีตการไกลโพ้นนะคะเราก็ รับรู้อย่างนี้แหละว่ามีหลายความหมายแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเป็นอาหารเมนูที่พระพุทธองค์ได้เสวยไปแล้วเป็นเหตุให้อาภาษจนปรินิพานแล้วก็เหมือนกับท่านทรงรู้ก่อนนะคะว่าท่านเนี่ยจะต้องปรินิพานด้วยอาการนี้จากการเสวยนี้เท่าที่ทิฉันอ่านพุทธประวัติเป็นอย่างนั้นไหมคะเอก็คือว่าอาหารนี้ไม่ได้ให้ใครกินต่อแล้ว ่กินคนเดียวเพราะว่าไม่เห็นใครที่จะย่อยได้คําว่าย่อยได้เนี่ยคือหมายถึงว่าคือกินเข้าไปแล้วเนี่ยข้า ง, างในกระเพาะไส้อักเสบแน่นอนเพราะมันย่อยไม่ได้มันจะมีการอักเสบมันก็จะมีเลือดออกมาค่ะทีนี้นสืบเนื่องจากประเด็นของคุณแนนที่สงสัยตรงนี้ยถ้าสมมุติว่าพระพุทธเจ้ามาอยู่ในแผนการแพทย์ยุคใหม่ใช่ไ่มสมมุตินะสมมุติอันนี้อาจามาคิดต่อไปเองนะแล้วถ้ามีคนไปเจาะเลือดท่านแผนการแพทย์ยุคใหม่เนี่ยเขาจะนิยมเจาะเลือดใช่ไหม ดูหรืมไม่ดูว่าคุณเป็นโรคอะไรไหมวัดค่าเลือดยิมโกลไม่อะไรต่างใช่ปะทีนี้สมมติว่าจะไปเจาะเลือดเนี่ยมันจะแทงผิวท่านเข้าได้ไหมอย่างนี้นะหรือเหมือนอย่างซูเปอร์แมนใช่ไหมที่เขาจะไปเจาะเลือดเจาะอะไรแทงไม่เข้าเนี่ยเพราะผิวมันเป็นเหล็กอย่างงี้นะอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเนี่ยก็ไม่ทราบแต่แต่ที่ฉันว่าถ้าหมอยุคใหม่อนะคะหรือ เป็นหมอที่ได้มีโอกาสเจอพระพุทธเจ้านี่แหละเรารู้ว่าพระพุทธองค์ได้ตรัดไว้อย่างนั้นไม่มีใครกล้าลองนะคะทําให้พระองค์ได้มีเลือดออกมากลัวค่ะอืยาอะไรต่างจะกลัวนรกอ่ะยาอะไรต่างๆที่หมอชีวกทำถวายก็เป็นทางย่านอายุรศาสตร์คือกินเท่านั้นดมเท่านั้นนจะไม่ได้มีการผ่าตัดไม่ได้มีอะไรที่ที่รักษาพระพุทธเจ้าในกรณีต่างๆที่หอเลือดนี่ก็เอาอะไรมาประคบเท่านั้นเอง เป็นเพื่อนมุนไพร์ค่ะพูดถึงในเรื่องที่คุณแอนถามมาแล้วถ้าอาจารย์ได้ตอบเรื่อยไปถึงกรณีที่สเสวยอาหารมื้อสุดท้ายเนี่ยทําให้รินใหญ่จะบอกท่านผู้ฟังว่าท่านมีโอกาสต้องไปอ่านพุทธประวัติพอมาถึงคําถามถัดมานี่ก็รู้สึกว่าจะอ่านพุทธประวัติเน่นะคะคุณปียกิจนะคะยี่ากบอกว่าได้ยินเพื่อนมาเล่าให้ฟังเรื่องตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จยังกุศลนาราเพื่อไปไนิพพาน แล้วทรงกระหายน้ําเลยขอให้พระนนไปตักน้ําแต่น้ําบริเวณนั้นส ก, กปรกเพราะเกวียนได้ผ่านไปไม่นานก็เลยไม่ได้ตักน้ํามาให้พระพุทธเจ้าดื่มจนพระพุทธเจ้าบอกให้ไปตักมาใหม่ซึ่งอันนี้ก็เคยได้ยินพระอาจารย์เล่าแต่ประเด็นเนี่ยจะอยู่ตรงที่เพื่อนของผู้ถามเนี่ยนะคะบอกว่าเป็นเพราะกรรมชาติก่อนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้เกิดเป็นเด็กเลี้ยงวัวแล้ววัวจะดื่มน้ําแต่น้ําส ก, กปรก เด็กเลี้ยงวัวคือพระพุทธเจ้าในตอนนั้นนะนะคะเป็นห่วงวัวเลยไม่ยอมให้วัวดื่มซึ่งน่าจะเป็นเจตนาที่ดีต่อวัวอืผลกรรมนั้นก็เลยส่งผลให้พระพุทธเจ้ายังไม่ดื่นมน้ําในครั้งแรกที่พระอานุนไปตักน้ำํคำคําถามคือหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กเลี้ยงวัวนะนะคะจริงไหมอสองกรรมที่ไม่มีเจตนาถือว่าเป็นกรรมที่ส่งผลหรือไม่เอาเรื่องขั้นต้นจริงไหมก่อนดีกว่าโอเคอ่ะ เรื่องนี้ต้องแยกชั้นให้ดีคือเราเป็นผู้ศึกษาเป็นผู้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าในยุคสมัยที่พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเนี่ยตรงนี้จึงมีความสําคัญนะคุณโยมที่ว่าเราจะต้องกลับมาที่แม่บทก่อนแม่บทก่อนเพราะว่าหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยต้องแยกชั้นให้ดีคําว่ากลับมาที่แม่บทคือคุณต้องแยกชั้นให้ดีคือไม่ใช่ว่าไปเหมาหมดว่าใช่หมดหรือไม่ใช่หมดเหมานี่ไม่ถูก หรือรพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้อยู่ให้เราที่จะไปถามไปคลาริฟแล้วว่าไอ้นี่มันใช่หรือไม่ใช่คือเราอยู่ในยุคที่พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเหลือแต่คําส อ, น, อ น, น, นเราดันเพราะฉะนั้นออกคําสอนตรงนี้เป็นหลักก่อนแตนะตรงที่คุณปบยกิจได้พูดถึงว่าพระพรุทธเจ้าจะไปเมืองกุศลนาจะดื่มน้ําแล้วท้านท่านพระอานนท์ไปตักน้ําข้อมูลนี้มาจากไหนนะข้อมูลนี้มาจากมหาปรินิพานสูตรนะมหาปรินิพานสูตรอยู่ในทีฆานิกายไปหาอานได้เลยตรงสุดนี้อันนี้ ก็มาเคยมาเล่าให้ฟังอยู่เป็นประจำนะแล้วก็จกนกระทั่งสรอบอ่ะไปตักน้ําเห็นน้ําขุ่นเกลือนพึ่งปานไปกลับมารายงานพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกให้ไปรอบที่สรอบที่สองก็ยังขุ่นอยู่กลับมาจกนกระทั่งรอบที่สาให้ไปอีกพระอ น, นุนเนี่ยกำลังจะเอาบาตรเนี่ยลงไปในแอ่งน้ําตรงนั้นปรากฏน้ําใสขึ้นมาเฉพาะตรงโซนที่จะไปตักน้าก็จึงเป็นเหตุอัศจรรย์ใจนะให้เอาน้ําที่ใสามาให้พระพุทธเจ้าอยู่ในบาตรแล้วเนี่ยเอามาให้ดื่มแล้วก็กราบเรียน ถึงเหตุน่าสะใจใจตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้มีข้อมูลอยู่ในอยู่ในมหาปริญญที่พันธสูตรในตีฆานิกายทีนี้ส่วนตรงนี้ตรงส่วนที่บอกว่าแล้วนี่เป็นบุรพกรรมเก่าของพระพุทธชาติที่เคยเกิดเป็นเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวแล้วห้ามัวไปกินน้ําอะไรต่างๆนี่อันนี้ก็มีมาอยู่ในคมภีรแต่ว่าอยู่ในคมภี์ส่วนที่เราพุทธวงศ์เป็นคุตตกานิกายที่เป็นอัตถกาถาก็อธิบายถึงว่าทําไมถึงเปิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็เพราะว่ามีบุรพกรรมเก่าอย่างนี่งนี้มา อันนต้องแยกชั้นของข้อมูลออกกันซะก่อนครับนะป่นนี้อพอเรารู้แล้วแยกชั้นของข้อมูลแล้วว่าอ๋อที่มาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ่าเราก็มาทําความเข้าใจต่อเพราะนนในคําถามที่ข้อที่หนึ่งของคุณบกิกฑ์บอกว่าเรื่องเล่าข้างต้นเนี่ยจริงไหมก็อย่างที่ว่ามีหลักฐานที่อ้างอิงตามคมภีรมาเป็นอย่างนี้โอเคข้อที่หนึ่งนี้ผ่านนะค่ะโอเคข้อที่สองครับข้อที่สองกรรที่ไม่มีเจตนาถือว่่่่่าเป็นกรรรมมทีสงผลหือไคะ แสดงว่าคุณบียกิทเนี่ยไม่เคยเลี้ยงวัวอารมาเนี่ยก็ไม่เคยเลี้ยงวัวนะแต่ว่า<ะ>พอไปดูเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนยนะแต่บ้านน้องดาดอนไหนโศกเนี่ยคือวัวมันตัวใหญ่กว่าคนอันนี้ข้อที่หนึ่งก่อนวัวเ น, นี่ยมันไม่ได้ตัวเล็กกว่าเราต่อให้เป็นลูกมันก็ตามมันตัวใหญ่กว่าเรา<ะ>เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะบอกว่ามันทําอะไรไม่ทําอะไรมันไม่รู้ภาษาเรานะมันไม่รู้ภาษาเราเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าอย่า ก, กิน ให้มันกินเนี่ยมันไม่รู้มันเห็นมันอยากกินมันก็จะกินอ่ะก็ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเด็กเลี้ยงวัวเขาจึงมีหน้าที่เด็กเลี้ยงวัวเด็กเลี้ยงควายเขาต้มีหน้าที่ในการที่พามันไปให้กินหรือไม่ให้มันกินซึ่งบางทีวัวบางตัวมันลากทีหนึ่งมันก็ไปบางตัวต้องลากสองสามทีมันถึงจะไปบางตัวมันดื้อมากลากก็ไม่ไปต้องออกค้อนตีมันต้องเอาค้อนตีมันเพราะฉะนั้นถามว่ามีเจตนาแน่นอนคือท่านจะต้อง เป็นพ่อทสานตอนน้นเป็นเด็กเลี้ยงวัววัวไม่ได้ตัวเดียวนี่แล้วมันตัวเยอะแยะมันบางทีก็ต้องลากมันมีเจตนาไม่ดีเอ้อยากกินมีความโกรธที่จร์ดขึ้นบ้างต้องธรรมดานแน่นอนมีแน่นอนแล้วก็ยังไม่ได้เป็นอริยะบุคคลเนี่ยการวาระจิตมันไม่ใช่ว่าจะข่มได้ตลอดนะคุณคุณยมเตียวเนื้อมาคือคนที่ยังเป็นปุถุชนนะนะบางทีใจิตใจมันก็ซ้ายขวาหน้าหลังอิงนุตุนันไม่ได้ว่าจะดีตลอด ต่อให้ดีตลอดเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีที่ชั่วแวบๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการฝึกจิตพัฒนาจิตของอย่างโพธิศาสตร์ไล่มาตามลำดับขั้นเนี่ยจึงต้องมีการสั่งสมบารมีเป็นการบ่มโพธิยาณเนี่ยให้มันสุกให้มันเต็มขึ้นมานะมีที่พร่องอยู่นี่มีที่คิดไม่ดีอยู่นี่นะก็ตรงเนี้ก็ตงึงต้องพัฒนาปรับปรุงจนกระั่งสําเร็จในชาติสุดท้ายเป็นสมมาสามบรูรณได้อย่างเพราะในคําถามของคุณเบคกิที่ถามว่าอันนี้ไม่มีเจตนาถือว่าเป็นกรรมไม้ แต่ถ้าตอบตามตัวหนังสือก็ไม่มีเจตนาก็ไม่เป็นกรรมอยู่แล้วแต่สําหรับ ค, คนปุถุชนยังไงมีเจตนาแน่แลว้ววมันไม่ได้จะเชื่อฟังบอกแล้วทําตามเป๊กเหมือนทหารมันไม่เป็นอย่างนั้นค่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าตอบตามเนื้อเรื่องก็ต้องบอกว่าเนื่องจากยังไม่เป็นอริยะใช่ไหมคะ<ช>ยังเป็นพุทิสัตว์เนี่ยยังมีกรรมอยู่แน่อืมอ่าแต่ถ้าตอบตามหลักการของธรรมะของพระพุท ธ, ธองค์ถ้าไม่มีเจตนาไม่เป็นกรรม อ่าก็ไม่มีผลถูกไหมคะถูกต้องนะ no. ข้อที่สามคะ่ะกรรมที่มีเจตนาดีต่อใครคนใดคนหนึ่งแต่ส่งผลให้คนคนนั้นเดือดร้อนถือว่าเป็นกรรมไหมโอเคอันนี้พระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างเปรียบเหมือนกับพี่เลี้ยงเด็กนะพอะเด็กเผลอเด็กอ่อนแอบบอกไม่รู้เรื่องอะไรนะเด็กเผลอเขาก็หยิบชิ้นกระเบื้องหรือชิ้นไม้เข้าไปในปากพี่เลี้ยงก็จะหาวิธีให้เอาออกให้ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเอาออกไม่ได้โดยง่ายกลืนเข้าไปนี่เป็นอันตรายแน่ พี่นั้นก็จะประคองเด็กด้วยมือซ้ายเอามือขวาล้วงลงไปเกี่ยวดึงออกมาถึงเลือดออกนี่ก็ต้องทําน ะ, ะ อ, อแต่เพราะอะไรเพราะหวังความปลอดภัยแก่เด็กหวังจะช่วยเหลือเด็กเอนดูเด็กก็ต้องทําเช่นนั้นเพราะความเอนดูนั่นเองอันนี้คือคตรงนี้นะคําพูดตรงเนี้ยบ่งบอกได้เลยว่าเป็นกรรมแน่นอนเป็นกรรแน่นอนเจตนาเจตนาดีนั่นแหะแต่ว่าเบียดเ<ม>บียนเขาอ่ะทําให้เขาได้รับ<ม>ความเดือดร้อนอันนี้ก็เป็นการมแน่นอน คือก็<ะ>สอนด้วยวิธีรุนแรงหรือสอนด้วยวิธีละมุนละม่อมก็ว่ากันไปคะ่ะพูดถึงอุปมาอันเนี้ยเข้มข้นจริงๆนะคะดิฉันนึกภาพตามทีไรหวาดเสียวทุกทีแต่ก็เห็นด้วยว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเรารักเด็กเราก็จะต้องทำเช่นนี้ก็ต้องทำใช่ยอมรับกรรมว่างั้นเถอะใช่พระรูช้าเคยเป ร, เรียบเทียบตรงนี้ด้วยว่าทาไมพระองค์เนี่ยจึงกล่าวคาทีา่ไม่น่าพอใจกับบุคคลอื่น นนี่คือเป็นคำถามของอภิยะไรสุกุมารที่ไปถามพระพุทธเจ้าว่าเออพระองค์เนี่ยกล่าวคําที่พอใจกับคนอื่นอย่างเดียวใช่ไหมหรือกล่าวคำที่ไม่น่าพอใจด้วยพระพุทธเจ้าก็บอกก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับคนไหนคือถ้ากล่าวบุคคลที่น่าพอใจกล่าวความที่ดีที่เขาจะพอใจเนี่ยบางทีก็กล่าวบางทีก็ไม่อย่างนั้นบางทีก็กล่าวคําที่ไม่น่าพอใจเพราะบางทีบางคนก็ต้องใช้วิธีรุนแรงในการที่จะบอกสอนอย่างนี้นะเพราะความเอ็นดูนั่นเอง ตรงนี้อุปมาผมหมา<ช>มแม่เป็นการยกตัวอย่างขึ้นมาตรงนี้ใช่ตรงนี้เราในฐานะที่อยู่ร่วมเหตุการณ์ที่เกิดมีพระสงฆ์นะคะซึ่งเราก็ว่าท่านปฏิบททัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็เหมือนกับกล่าววาจาที่รุนแรงกับผู้ไปหาอืมแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่น่าจะกล่าวอย่างนั้นอืมคือโดยเฉพาะคนที่กล่าวด้วยเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เพิ่งมาเดี๋ยวจะ ศรัท ธ, ธาถอยอันนี้ด้วยความรู้สึกที่ดีกับพระสงฆ์นะคะเราควรจะรู้สึกอย่างนี้ไหมคะหรือว่าไม่อย่าไปยุ่งเลยท่านพิจารณาของท่านเองแล้วอันนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้านะคะกำลังพูดถึงพระสงฆ์ค่ะอันนี้ก็คงต้องดูเป็นกรณีไปนะว่ามันต้องดูอย่างอื่นด้วยเช่นสีของท่านเป็นยังไงท้ามีข้อ ว, ว่าปฏิบัติเป็นอย่างไรอันนี้เป็นบางครั้งบางคราวหรือเป็นอยู่เรื่อยหรือเป็นนิสยัยอันนี้ก็ต้องดูเป็นหลายๆกรณีด้วยค่ะแล้วถ้าเราไปทักท้วงอย่างนั้น มีกรรมขึ้นมาแล้วนะคะเป็นการกระทําว่าท่านค่ะอย่าทําเลยเราจะบาปไหมคะท่านคะอ๋อไม่บาปสิเพราะว่าคือบาปเนี่ยคือชื่อของความทุกข์ที่อย่างเช่นเราไปโจด้วยเรื่องไม่จริง น, นะโกหกอาคุศรธรรมพวกนี้เป็นบาปแต่ถ้าเราพูดความจริงถูกเวลาแล้วจะเกิดประโยชน์อันนี้มคำกล่าวนี้ควรกล่าวได้แน่นอนไ ม, ไม่ได้ถื อ, อ, อว่าเป็นกรรมชั่วนะถือว่าเป็นกรรมดีที่จะสงเคราะห์การคจริงๆ หลักของการส่งเคราะห์กันก็ด้วยปิยาวาจาและพระสงค์ก็ควรจะอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามอันนี้อันนี้คือโดยทั่วไปเนี่ยควรจะพูดดีๆกันอยู่แล้วโดยทั่วไปน อ, น, นอก<ะ>จากบางกรณีอ่ะซึ่งก็อาจจะไม่ได้มีมากที่จะอาจจะต้องใช้วิธีรุนแรงบ้างอ๋อค่ะ น, นะคะทีนี้มาต่อด้วยคำถามของคุณปิยกิจอีกนะคะความเข้มข้นของกรรมเนี่ยส่งผลกับเจตนาใช่ไหมครับ ถูกต้องถ้าเจตนาอันนี้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบกับการกรีดลงบนน้ําเช่นตะกุนเอามีดกรีดลงบนน้ําจ้วดเนี่ยน้ำมันจะประกบติดชิดเข้ามาภายใน2วินาทีเพราะมันหายเลยใช่ไหมก็เป็นระลอกนิด<ม>ๆหน่อยแต่กรีดลงบนน้ำนิ่งๆแต่ถ้าเรากรีดลงบนทรายในะกรีดบนทรายที่อยู่ริมน้ําชายหาดอย่างนี้แต่เขาก่อสร้างปัสสาวะทรายอะไรกันก็วันหนึ่งคืนหนึ่งแต่พอน้ําขึ้น หรือตามวงรอบของน้ําขึ้นน้ําขึ้นรอบต่อไปก็เอาทายพวกนี้หายไปก็อาจจะนานหน่อยวันสองวันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมหรือถ้าเปรียบเทียวบว่ากรี่นลงบนหินกลิ่นวนหินโอ้หร่องรอยอยู่บนหินนี่อยู่เป็นพันปีนะอยู่เป็นพันปีอันนี้ก็เปรียบเทียบกับว่าเจตนาเนี่ยมันแรงหรือมันเบาแตถ้าเจตนานี่น่นนอยแบบไม่ได้จิตใจมีพลังสูงก็มีผลกรรมน้อยแต่ถ้าแบบ โหยโกโรธมากโกโรธแบบจีดมากในเรื่องราวแบบเดียวกันที่เกิดขึ้นเนี่ ย, ยสมมุติว่ า, ามีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นรถชนตู้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะแล้วมีคน3คนดูเหตุการณ์นี้อยู่เนี่ยอีกคนนึงก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ผ่านไปอีกคนหนึ่งก็แบบอาจจะรู้สึกบ้างว่าโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้คนนั้นต้องเป็นอย่างผิดคนนี้ถูกอันนี้คนที่2องแคนที่3นี่โอ้โหมีใจิตใจแบบมาดมาั่นมากต้องอันนี้ต้องถูกต้องอันนี้ต้องผิดอะไรเงี้ยมันก็จะเปรียบเหมือน3าระดับที่ว่ากรีดลงบนน้ํา กรีดลงบนทรายหรือว่ากรีดลงบนหินนนี้คือเจตนาอันนี้คือคือดูเฉพาะตรงส่วนเจตนาอย่างเดียวนะในในคทา่สามข้อที่4เนี่ยแล้วถ้าเราจะพิจารณาไปถึงว่าการให้ผลของเจตนานั้นนะว่ามันจะให้ผลหนักหรือให้ผลเบาหรือให้ผลน้อยมันต้องมีมีอีกระบบหนึ่งมีขั้นตอนหนึ่งนะคือคือเจตนาตรงนี้คือเรื่องของการกระทำนะจุดนั้นน้ำก็เก็บ mm. สะสมไว้ละ จิตมีสภาวะสั่งสมนะสั่งสมบุญสั่งสมบาปนะถ้าคุณรู้สึก intensity หรือว่าความเข้มข้นของเจตนานั้นน้อยมันก็จะสั่งสมในจิตน้อยถ้าความเข้มข้นหรือ intensity ของเจตนานั้นมีมากบุญหรือบาปที่เกิดขึ้นมันก็นจะมากเนี่ยเอาง่ายๆสมมติว่าเอ่อเอาเรื่องของบุญลกันเช่นคุณยกอาหารอย่างเงี้ยไปถวายพระพุทธรูปคุณ็นพระพุทธรูป เออจิตคุณก็ระดับหนึ่งใช่ไหมโอ้พระพุทธองค์นี้สวยไม่สวยก็ว่ากันไปใช่ป่ะแต่ถ้าคุณเจอพระพุทธเจ้าตัวเป็นๆคุณยกอาหารเหมือนกันเนี่ยเวลาเดียวกันไปหาพระพุทธเจ้าตัวเป็นๆโอ้โหท่านมีลักษณะมหาบุรุษอย่างนี้มีรัศมีอย่างนี้โอ้ยจิตใจมันจะแบบเจตนามันจะพร่างพูมีอินเทนซิตี้มีความเข้มข้นมากกว่าอันนี้ก็เปรียบเทียบกันนะเพราะฉะนั้นการสะสมอยู่ในจิตเนี่ยก็จะมากน้อยไม่เท่ากันโอเคจิตมีสภาวะสั่งสมนะสั่งสมบุญสังสมบัตในกรณีนี้คือสั่งสมบุญ ทีน<พ><อ>ีพสั่งสมบุญแล้วเนี่ยจะให้ผลตูมออกมา เ, เป็นผลใช่ไหยถ้าคุณสั่งสมบุญก็จะให้ผลเป็นความหวานความชุ่มฉ่าเป็นความดีความงามถ้าสั่งสมบาตก็ให้ผลเป็นความขมความเผ็ดร้อนความไม่อร่อยจะให้ผลหนักหรือเบามันต้องอยู่ที่องค์ประกอบนี้ด้วยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับเกลือเอาเกลือมาก้อนหนึ่งถ้าเผื่อว่าเอาเกลือก้อนนี้ละลายลงในถ้วยถ้วยใบหนึ่งมีน้ําแก้หนึ่งเนี้ยชิมดูมันจะเค็มแต่ถ้าเอาเกลือก้อนนี้ไปละลายลง แม่น้ำจ้าพยาแต่ความเค็มมันแทบจะหาได้ไม่มีหาไม่มีต้องนะั่นที่เกลือก้อนเดียวกันเกลือเนี่ยเปรียบเหมือนเจตนาที่เป็นบาปที่เราสะสมไว้สีเกลืออาจจะ ก, ก้อนใหญ่ก้อนเล็กปูกยที่ว่าคุณเอามีดกรีดลงบนน้าหรือบนหินอย่างนี้นะ<ม>เกลือก้อนใหญ่ก้อนเล็กตามนั้นแต่ว่าผลของเกลือที่จะให้ผลเป็นความเค็มความไม่อร่อยก็อยู่ที่น้ํานั่นเองความเค็มความไม่อร่อ ย, ยคือทุกขเวทนาที่เราจะได้รับคือวิบากของกรรมนั้นที่คุณจะได้รับนะ ว่ามันจะเค็มมากหรือเค็มน้อยอยู่ที่น้ําน้ํานี่คืออะไรคน้ําเนี่ยก็คือบุญที่เรามีแล้ว่าเรามีบุญมากไอตัวที่จะมารับผลของกรรมที่จะให้เป็นผลเป็นทุกข์เนี่ยก็เรียกว่ากรรมชั่วเนี่ยนะจะให้ผลเนี่เนื่องจากเรามีบุญมากทําให้การให้ผลของมันน้อยนะในขณะที่ถ้าเรามีน้ํามากเห ม, มือนน้ำชอบอยากคือมีบุญมากในการให้ผลของความเค็มมันก็จ่อออกมาน้อยของเกลือนี้ ที่เปลี่ยนเหมือนคำช่วยที่เราเคยทํามาเพราะฉะนั้นเราจะพิจารณาเฉพาะเรื่องเจตนาตรงขาทําอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องดูเรื่องของผลที่จะได้รับด้วยในข้อที่สี่นี้ค่ะท่านครับดูเหมือนกับว่าท่านคงจะรวบรวมอะไรหลายๆพระสูน์เข้ามาอยู่ด้วยกันในการตอบคาถามใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ค่ ะ, ะดิฉันอยากจะขอฟังสักบทหนึ่งได้ไหมคะเพื่อที่จ ะ, ะเราอยากรู้จริงๆว่าพผู้เทอเจ้าท่านตรัสเอาไว้ยังไง พระสูตรนี้เรื่องของรอยขีดที่อยู่บนหินอยู่บนน้ำอยู่บนทรายเนี่ยอันนี้มาในพระสูตรที่ชื่อว่าเลขสูตรนะเลขาสูตรอยู่ในคำพี์เล่มที่20อังคุตระนิกายนะเล่มที่20ข้อที่572เในะเล่มที่20ข้อที่572ไปเปิดดูได้พระพุทธเจ้ า, าได้ปเปรียบเทียบบุคคล3าประเภทนะประเภทแรกเนี่ยคือปเปรียบด้วยรอยขีดบนแผ่นหินรอยขีดบนแผ่นดินและรอยขีดบนที่ในน้า นะที่อาตมาพูดว่าทรา ย, ยมันคล้ายเคลื่อนไปนิดหนึ่งต้องเป็นดินนะแล้วก็น้ําหินดินน้ํสามอย่างนั่นะคือ <Okay. S 1> ความโกโรธบุคคลที่โกรธเนื่องๆสั่งสมมานานก็คือรอยขีดบนแผ่นหินนะไม่ลบเรือนเลวในขณะที่ <Okay. S 1> เป็นรอยขีดบนแผ่นดินนะความโกโรธของเขาอยู่ในสันดานนอนเนื่องมาไม่ได้นานก็จะลบเลือนไปในเวลาไม่นานโดยเร็วเพราะว่าลมและแดด เพราะว่าลมและน้ำอันนี้เปรีบเ ท, ทียบไวอันนี้คือมาในเลขสูตรนนเล่มที่ยี่สิบข้อที่ห้าร้อยเสิบสองค่ะเราก็ต้องทำตัวเป็นคนที่ถ้าจะทำอะไรในทางที่ไม่ดีต้องพยายามอย่าทำถ้าทำก็ต้องทำประเภทเหมือนเอามีดกรีดลงไปในน้ำพอนะคะใช่ค่ะท่านคะมีเรื่องศีลคะ่ะเพื่อนบอกว่า ศีลห้าหรือศีล8มาจากกรามฮินดูซึ่งพระพุทธเจ้านำมาประยุกต์ใช้จริงหมาครับโดยส่วนตัวนี่ยไม่เชื่อคิดว่าพระพุทธเจ้าน่าจะทรงกำหนดขึ้นมาศี น, นี่ไม่เคยหายไปจากโลกนี้เลยคุณยมติวพระพุทธเจ้าบอกต่อให้พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ในโลกนี้คำสอนหายไปหมดเลยเนี่นะเรื่องของศีลก็ยังเจอยังมีอยู่แต่ต่อให้คนที่แบบชั่วขนาดไหนก็ยังมีบางคนที่เขายังมีดีที่เขายังรักษาศีลได้อยู่บ้างอันนี้ต้องมีแน่นอนเพราะฉะนั้นศีนเนี่ยมันไม่เคยหายไปจาก ระบบของมนุษย์เลยนะต่อให้ไม่มีพระเจ้าก็ตามในที่แบบไม่มีเป็นสุญญากับที่ไม่มีพระเจ้าเนี่ยก็ยังมีศีลอยู่แน่นอนแปลว่าศีนั่มีมานานแล้วมานานก่อนพราหมณีดู้ําอืมค่ะเคยที่เียเหมือนกับเป็นพุทธพจน์ประมาณว่าศีนเป็นของเก่าเป็นของที่มีมานานใช่ใ่ไม่เคยหายไปจากโลกนี้ใช่ค่ะอีกข้อหนึ่งค่ะท้านคะสุดท้ายของคุณปิยะกิตนะคะข้อห้าการที่พราหมณ์ อัตกินมะฐานุโยโคอัตกินมะฐานุโยกเช่นการไม่ขยับตัวนั้นอืแปลว่าเขาไม่ได้ทํากรรมทางกายให้เกิดขึ้นใหม่ถูกต้องใช่ไหมครับอกรรมทางกายถูกต้องไม่ได้ทำเพราะไม่ได้ทํากรรมทางกายเนา ะ, ะไม่ได้มีกายกรรมแต่มีมโนกรรมแน่อันนี้เขาห่านว่าอัตกีรัมมฐานุโยคอัตกีรัมมะฐานุโยก ค, คือการทรมานตนให้ลําบากอันนี้เป็นคการประพฤติ ที่เรียกว่าท ร, รมานตัวให้ลำบากประบปะพี่ๆนะอันนี้<ช>คือเขาไม่มีกายากรรมก็จริงไม่ได้พูดอะไรกับใครไม่มีวิธิกรรมด้วยแต่มโนกรรมเขามีแน่นอนทําไมมีมเพราะว่าเขาไม่ได้รู้เห็นถูกต้องตามเป็นจริงนักกระท<ช>ํากรรมด้วยอํานาจของโมหะคิดว่าไอ้นี่มันเป็นการแบบท ร, รมานตนเองเพื่อให้คนอื่นพอใจเป็นการกระทําความเชื่อที่งมงายความงม ง, งายเน<ช>ี่เป็นกรรมแน่นอนเป็นมโนกรรมท่านคะอันนี้คือส่วนที่สุดโต่งในด้าน ทำการให้ลําบาก<า>และถ้าทําให้สบายนะคะอล้นี้ก<า>็ว่าการมัสสุขัาลิการนิโยคอกที่พระพุทธเจ้าปฏิเสธทั้งสองทางถูกต้องนะบทสวดครั้ง<า>แรกเลยที่บอกกับพิสุปัญจวัคคีย์เลยบอกว่าสุดตรงสองข้างนะคืออัตตะกิรมะถานรโยคและการมัสสุขลริการนุโยกสองอย่างนี้รบรรญัตชิตควรหลีกเลี่ยงไม่ควรเสดเดนปอนค่ะงั้นก็เป็นอันว่าคําถามของคุณปิยกิจได้ทําให้ เราได้สนทนากันจนมาถึงนาทีเกือบสุดท้ายของอรายการค่ะท่านคะได้ประโยชน์กันไปหลายเรื่องทีเดียวกราบน้มสักการขอบพระคุณและอนุโมทนาคุณภิญกิจนะคะทางฝั่งที่ครบค่ารายการสามัมมนทนาค่ะก็จะมีลักษณะของคําถามหลากหลายนะคะบางวันก็เบาบางวันก็หนักแต่ไม่ว่าหนักไม่ว่าเบานั้นจริงๆแล้วธรรมะของพระพุทธองค์นะคะในเรื่องเดียวกันนดูให้ง่ายก็ง่ายยากก็ยากก็ สุดท้าแต่ว่าจะมองกันอย่างไรแต่ได้ประโยชน์ทุกเรื่องและจะต้องนำเอาไปสู่การปฏิบัติจึงจะเห็นประโยชน์นั้นด้วยตัวของผู้ปฏิบัติเองนะคะเรามาติดตามรับฟังรายการกันใหม่ดิฉันสันชนีนาฏพงศ์สรนชณีสนทนาจะมาพร้อมๆกับพระมหาภัยบุญอภิปุลโนวันหรหัสสบดีและวันศุกร์ที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m ฟเอสอททอแห่งนี้นะคะวันนี้พุทธสวัสดีค่ะ